ธรรมชาดกแผนที่12ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าพระเจ้าประเสมิที่โกศลชอบเมียคนอื่นวันนี้เป็นวันที่8 ม ก, กราคมพุทธจักราศ 2,558 วันนี้เป็นวันกำหนดการงานทาบุญบูชาคุณพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรราโพอดีตเจ้าอาวาสวัดรัญญบันพศตาบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย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 น้อมกับคระวะหลวงปู่เหลียนที่เป็นพระอาจารย์ของท่านจะได้จัดงานขึ้นที่นี่แต่ถึงยังไงงานของวัดหลวงปู่ก็คงจะมีตามปกติแต่ที่นี่ก็ใครจะจัดขึ้นมาเพื่อบูชาพระคุณออถ้าจะว่าไปแล้วก็คือไม่ผิดกฎ ก, ฎกติกาเพราะเหุ้ไรขาะพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานอยู่ที่ประเทศอินเดีย วันมาวันวิสาขาบูชาพวกเราอยู่ในประเทศไทยรั่วอยู่ทั่วโลกประเทศไหนที่เคารบบูชาพระพุทธเจ้าพวกเราก็ได้จัดงานบูชาวันวิสาขาบูชาคือวันประสูตษตัตรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าได้ทุกแห่งหนพวกเราน้อม ขอรพบูชานี้ก็เหมือนกันนะถ้าเป็นเราเป็นสิทธิยานุสิทธิทั้งหลายที่เรารักเคารพในองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์ใดเราก็จัดพิธีเรียกว่าแสดงความเคารพในวัดหรือวัาที่อยู่ของคนแต่ตามไปจริงก็ในสถานที่ที่องค์หลวงปู่ท่านดับขันเรียว่าท่านมรณาภาพหรือท่านจุตินิพพาน อยู่วัดใดอันนั้นสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายก็ควรจะพร้อมกันไปแสดงความเคารพคารวะในสถานที่นั้นเพื่อจะได้รู้ได้เห็นว่ามีความพร้อมเพียงสมัครีในบรรดาสิทธิาณุสิทธิทั้งหลายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราที่ปรินิพานอยู่ที่ประเทศอินเดียพวกเราอยู่ในประเทศไทย ก็ได้หลั่งไหลกันไปแสดงความเคารพคารวะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่พระพุทธองค์ดับขันปรินิพาน น, นี่ก็เหมือนกันคณะศิษยานุศิษย์ทางหลายทีไ่ได้มารวมกันในวันนี้ก็แสดงออกซึงความเคารพคารวะในวงหลวงปู่ที่ท่านให้ที่ท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอน พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นทมคำสอนที่หลวงปู่แนะนำเพราะนั้นพวกเราจึงลัลึกถึงพระคุณของหลวงปู่เจตเองพร้อมกันมาแสดงออกถึงความเคารพสักการะในวันนี้แล้วก็พวกเราได้เริ่มต้นก็ได้ฟังพระสงฆ์สวดพระปริตตมงคล จบลงไปแล้วก็ได้ถวายเจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์วันนี้ก็รู้สึกว่าอบอุ่นพระสงฆ์ดูดุลแล้วก็คงจะหลายร้อยองนะแล้วก็พระสงฆ์ก็อนุโมทนาให้พรตอนนี้ไปพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยงก็รัตนาทราบว่าโคศกบอกว่าจะมีการแสดงธรรมวันนี้สององค์สองรูปหลวงพ่อ องแรกแล้วก็หลวงพ่อวิสิ ต, ตองค์ที่สองเพราะฉะนั้นคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมเมื่อฟังของหลวงพ่อจบลงไปแล้วนะอย่าพิ่งลุกอย่าพิ่งหนีไปที่ไหนนะให้ฟังองค์ที่สองสกักกอด เ, เพราะว่านานทีปีหนนานทีพวกเราจะได้มาพร้อมกันฟังธรรมเทศนาแต่และครั้งไม่ใช่ของหาได้ง่ายไม่ใช่ในเทศทุกวี่ทุกวัน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 ก็รู้ลสรุปได้ว่าต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองจะเป็นองค์แสดงธรรมองค์ที่หนึ่งแล้วก่อนหลวงพ่อพิชิตจะองค์แสดงธรรมเป็นองค์ที่สองเพราะนั้นคณะสัตธายาดยโอ ม, มถือโอกาสเดีน๋นนี้หาโอกาสเดีน๋นนี้หาได้ยากแต่เพราะนั้นให้ตั้งใจฟังท่านจะแสดงเรื่องอะไรให้ฟังพวกเราก็จะได้นาไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเรา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 นำเข้าประเด็นแล้วนะทีนี้นะให้ตั้งใจฟังนะโมตัสตตสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัะนะโมตัสตตสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัะนะโมตัสตตสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสักอัคเสาวนาะ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 พวกเราจะได้ศึกษาหรือฟังได้ง่ายๆเพราะนั้นองหลวงปู่ท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอนลูกพ่อเองก็ได้ฟัง MP3 ของหลวงปู่ท่านพูดในแนวปัจจุบันแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นลูกหลานคณะสัทยาญาติโยมทั้งหลาย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 แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอใหออ้พวกเราทุกทุกท่านที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายได้แสดงธรรมเทศนามากมายหลายหลายอยา่างท่านยกเรื่องทานบ้างเรื่องศีลบ้างเรื่องภาวนาบ้างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องทานพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนถ้าหาว่าไม่มีน้ำใจไม่มีการเสียสละ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 รับรองรับประกันได้เลยว่าหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมในกลุ่มกลุ่มนั้ น, น, นแต่คณะสัตว์ที่ไร้ฉานมันยังมีการหาอะไรให้ลูก้ทัวตัวที่ด้อยกว่าอย่างคุ้มครองมนุษย์ของเราก็เช่นเดียวกันนี่แหละการให้ทานทานคือการให้คือการเสียสละเป็นเครื่อง เ, ออเชื่อมหรือว่าเป็นเครื่องให้ความ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 ถ้าจะเปรียบเทียบกับทางโลกก็คือกฎหมายกฎคุ้มครองอการอยู่ด้วยกันให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้แหละคือศินแต่ว่าพวกเราเป็นผู้มีศินแล้ว อ, อยู่ด้วยกันมากน้อยอมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกเพราะนั้นขอให้พวกเราผู้พวกท่านเรื่องศินน ะ, ะสินและวินยัย ยังมีอยู่ตราบใดพุทธศาสนาในศาสน า, าของพระพุทธเจ้าก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตราบนั้นนีอันนี้ละเรื่องสินศิลคุ้มครองแต่หลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักเรื่องของสินสินข้อที่สามที่หลวงพ่อจะเน้นจุดนี้บางทีหลวงพ่อก็เน้นข้อที่1การฆ่าสัตว์การเบียดเบียนบางทีก็เน้นเรื่องข้อข้อที่สอง เรื่องอาทินนาธานบางนี้บางทางก็นเน้นข้อที่สหรือข้อที่4ข้อที่หบางทีเน้นข้อที่5ส้สินข้อที่5้นี่คื อ, คอหลังคาศาลาหลวงพ่อว่านะหลังคาบ้านหลังคาศาลาถ้าเราไม่มีหลังคาบ้านไม่มีหลังคาเวลาฝนตกมาเราก็หาความสุขไม่ได้ เวลาแดดออกมาก็ร้อนเพราะอะไรเพราะไม่มีหลังคาสินข้อที่5ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อบอกว่าสินข้อที่5เนี่ยคือสินคุ้มของโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนไม่ขาดสติแกว่าคันชายาฝิ่นเฮโรอีนคันยาบ้าอย่างนี้ถา้าคนขาดสติแล้วจะหาความสงบจะหาความสุขไม่ดได้เพราะอะไรเพราะว่าคนขาดสติ ถ้าเมื่อคนไม่ขาดสติเออรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนสิ่งควรไม่ควรฮนะเออคือไม่ฆ่าเออคือสินข้อที่ห้าเออคือสินคุ้มครองคือคนไม่ขาดสติในเมื่อคนไม่ขาดสติจะทำอะไรก่าสํเนึกได้วาอันนี้ควรไม่ควรถ้าคนขาดสติแล้วนะข้อที่หนึ่งก็ประจุ ค่าไครก็ได้เพราะคนขาดสติอทินนาทานขโมยไข่ก็ได้กาเมสุมิชัาจานประพฤติล่วงละลงลงเกินล่วงละเมิดสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกไครก็ได้เพราะอะไรก็ขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าในสินหลังขาสินที่มิมงคลแต่ถ้าหาว่าคนที่ไม่มีศินข้อที่ห้าแล้วคนขาดสติทําความเสียหายได้ทุกอย่างนะกระัชตาญาตโยมนะ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 คืนเดือนปีวันไหนที่สะดวกท่านก็นสเสด็จรอบพระนครนะท่านก็ทรงช้างที่สีขาวเน่เสด็จรอบพระนครสุดแท้แต่พระองค์จ ะ, สะเสด็จเพราะว่าเป็นกรุงสวรรีเป็นเมืองของพระเจ้าปัสสันทิโกศนตอนนี้วันนั้นเขาตกแต่งพระรคนครเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ทูลเชิญพระเจ้าแผ่นดิน เสด็จรอบระนาคอรพระองค์ก็ใช้ขึ้นคอช้างสีขาว้า ง, างเผือกนะเอ่คือสางช้างพราศาพราชานสะางเผือกแต่ทีนี้คนทั้งหลายคนทั้งหลายเขาก็ไล่คนออกจากถนนขนทางหนีออกไปไปทางเสด็จแต่ทั้นพระเจ้าปเสนที่โกสนท่านก็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 เสด็จของพระเจ้าปีติความสง่างามของกระบวนพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระเจ้าปรสเซนเสด็จแต่นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในชั้นสองของบ้านแต่เด็กาก็เปิดหน้าต่างพอเปิดหน้าต่างอพอเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้า เ, เปรสเซฐพระเจ้าเปรสเซนก็มองขึ้นไปไปเห็นผู้หญิงคนนั้นนะอ่ะพอไปเห็นเท่านั้นแหะผู้หญิงคนนั้นหลบ หลบหลบในบ้านนะเขา ก, กลัวว่าคงจะมีอะไรกนะลัวอันตรายนะตอนนี้พระเจ้าปัจเสีนเห็นผู้หญิงคนนั้นในหน้าต่างท่านนะัา้นความากิเลสคือราคานะาคือความกําหนัดมันวิ่งกระแทกตั้มเข้ามาในหัวใจของพระเจ้าปัจเสณนนะพอกระแทกเข้ามาที่พระเจ้าปัจเสีนก่อน เกือบจะตกคอชาร์จมาอกันแต่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องอกามมกิเลสจากนั้นพระเจ้าปเส น, นก็เห็นเสร็จแล้วพยายามกลับมาถึงเวียงหวังมาเวียงหวังกระถาม อ, มาอํามบาดที่อยู่ใกล้ชิดว่าเมื่อเราเสด็จไปไปตรงนั้นน่ะเธอเห็นไหมบ้านหลังนั้นน่ะออมบาดก็เห็นครับ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 อจัไปก็ไปถามถามว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ว่าเขามีเขาแต่งงานแล้ว ม, มีสามีแล้วเขาก็มาบอกให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้าปเสนที่โกศลไม่วายทั้งที่เขาบอกว่าเขามีสามีแล้วเนี่ยเพราะวาความความรักความกำหนัดในใจความใคร่ในใจมันมีอยู่ในใจของคนมีกี่เละใช่จากนั้นก็บอกว่าเอาไป ไปบอกให้สามีเข้ามามาหา เ, เพราะว่าจะหาเรื่องใส่เขาเนี่ยเ อ, อจะหาเรื่องแล้วก็ใส่เขาแล้วก็จับเขาฆ่าเขาทิ้งอะ่ะ อ, อไปหาบอกมาบอกสามีเข้ามาเอา ม, มาคนนี้ไปบอกไปบอกว่าไปพระเจ้าปัดเศษพระเจ้าแผ่นดินต้องการพบท่านไอ้อหนุ่มคนนี้ไ อ, อ้สามีน่โอ้ตายเขานี่อฆ่านี่ยเคงจะตายเพราะเมียและเขานี่ พระเจ้าเปัญจินพ ร, ระเจ้าประสัยคงจะมีเรื่องกับแม่บ้านของเราละค่าวเนี่ยเขารู้เลยเอ่ทำไมเขาจะไม่รู้เพราะมันไม่มีอะไรพอที่สวดเขาก็เรียกมาพระเจ้าประสัก็บอกว่าเอาให้เธอมาทำราชการอยู่ที่นี่นะอ่าแล้วก็เอาเอาเอาวุธให้รักษาการนะรักษาให้ดี คคอคล้ายๆว่าหาจะหาเรื่องใสว่าถ้าเขาทำผิดนิดหน่อยก็จะจับเขาแล้วก็สำเร็จโทษฆ่าทิ้งแล้วก็จะได้เอาเอาเมียเขามาเอาเอามาเป็น เ, เมียของตัวเองลักษณะอย่างนั้นนี่แหละมันน่า ก, กลัวนะพี่น้องจัทไทยญาติโยมโลูกหลานนะจากนั้นก็ไปเอามาแล้วก็บุรุษคนนั้นเขาก็โห่นะเขาก็ทำดีที่สุดไม่มีปัญหาอะไรเลยทําีที่สุดเพราะเมื่อ เขาก็รู้แล้วว่าถ้าทำผิดเพื่ออะไรต้องตายแน่เพราะนั้นเขาก็จะทำดีทึกจนหาเรื่องไม่ได้ถึงพอหาเรื่องไปได้ทีนี้กเ็เรียกเข้ามาอีกดีนะบุรอษให้เธอไปเอาดอกบัวอยู่นู่นเออใครเข้าไปอยู่ใกล้ที่สุดประมาณสี่ห้ายอดเอาดินเหนียวด้วยเอามาให้ทันให้ทันอาบน้ำของเรานะาถ้าไม่ทันอาบน้าของเราไม่ได้นะ โทษโทษหนักนะเอเราสั่งจากนั้นบุรุษคนนี้ก็พอได้ทราบทดพระเจ้าแผ่นดินสังเท่านั้นแหละเอก็ออกจากเวียงวังเลยวิ่งทั้งวิ่งทั้งเดินนะไปหาแม่บ้านเอก็ไปถามว่าพน อ, อ, อาหารทำเสร็จหรือยังคืออาหารตอนเช้านะแแม่บ้านก็ว่ายังยังไม่เสร็จ กำลังกำลังต้มกําลังเดือดอยู่ไปไปไไ ป, ไปตักเอากระ b u o ตักเลยตักใส่ใบตองกล้วยเอาให้ผมผมจะไปเดี๋ยวนี้รอไม่ได้ละปันทางไกลแล้วเกินที่จะไปเอ า, เอาดอกบัวกับดินเหนียวนะ อ, อยู่โน่นมันไกลแล้วเกินทางแม่บ้านเขาก็ทําตามฮพอตามมาตักใส่ให้แล้วพอจางดีก็ใส่ถุงแล้วก็ อหนุ่มคนนี้เนี่ยเดินอ้าวเลยแต่เนี่ยทั้งเดินทั้งวิ่งเพื่อจะให้ไปถึงที่หนุ่มพอเดินไปข้าวอยู่ในข้าวอยู่ในอที่ห่อไปนั่นเนี่ยทั้งที่มันเอทั้งที่มันยังไม่สุกดีนะมันก็สุกไปตามที่มันอยู่ในถุงน่ะเอจากนั้นก็ไปถึงไปเห็นคนคนหนึ่งเขาเดินสวนทางมาดูดูแล้วเขาอิดโรยเขาหิวอาหารเนี่ยแต่แกเนี่ยก็เลย แบ่งไว้ส่วนหนึ่งและก็แบ่งให้คนอให้คนคนนั้นด้วยเอเอเาผมไม่ได้ไม่ใช่ของเดนนะนี่นะเอเป็นอาหารของผมผมแบ่งให้คุณอส่วนหนึ่งผมกินส่วนหนึ่งอพอเสร็จแล้วก็ลงไปในท่าน้ําในท่าน้ําเสร็จแล้วก็เอาข้าวที่มันเหลืออยู่นะ่ะกําหว่านลงไปในให้ปลาในน้ําอีกนะ นี่เลยอันในสงทานเพียงแค่นั้นจัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมนะอันในสงทานสาร์ทูเนอข้าพเจ้าได้ทําทานแบ่งให้อาหารกับคน อ, อ, อันในสง์เป็นพันเพราะได้ทําบุญกับคนทําทําทานกับคนอันในสงเป็นพันข้าพเจ้าได้ทําบุญกับปลาในน้ําอันในสงเป็นร้อยด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีดีแล้วนี้ออขอให้ข้าพเจ้า เออให้ข้าพเจ้าสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาโดยเทอญข้าพเจ้าต้องการดอกอุบลกับดินเหนียวเอ่อข้าพเจ้าถ้าผู้ใดก็ตามไปเอาดินเหนียวหรือดอกอุบลดอกบัวมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมอบบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ให้กับท่านผู้นั้นพอประกาศเท่นั้นแล้วพวกนาคทั้งหลายที่ได้ยินเขาก็อยากได้บุญเนี่ยใครใครก็อยากได้นะบุญนี่น่ะเออเหมือนกับ เงื่อนเหมือนกับเงินใครๆครก็อยากจะได้บุญจากนั้นเขาก็หน้าก็จาแรงตัวขึ้นมาท่านว่าไงก็เออถ้าข้าพเจ้าทำบุญกับมนุษย์อันนี้สงฆ์เป็นพันถ้าข้าพเจ้าทำบุญกับหวานอาหารลงไปในน้ำให้ปลากินอันนี้สงฆ์เป็นร้อยเพราะนั้นท่านผู้ใดไปเอาดอกโกมุตดอกอุบล แล้วก็ดินเหนียวมาให้ข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าจะให้บุญกับผู้นั้นอ้าวได้นากว่าแบ่งให้แน่นะให้แน่ไอ้น่า ก, ก็เลยจำแรงไปเอาดอกอุบลดินเหนียวอย่างที่ต้องการมาให้พอมาให้จะได้ชายคนนี้ได้พาดก็เดินอ้าวเลยเแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปเสนที่โกศนี่คนหาเรื่องใช่ไหมล่ ะ, อะพอมาถึงพอรู้ว่า เออวันนี้เรได้สั่งไอ้นี่ละเออถ้ามันเอามาได้จริงเนะี่ยแต่ถึงแม้จะถ้าเป็นคนนะเอเอออกมาไปได้แต่มันถ้าเขาว่ามันมีฤทธิ์มีอํานาจมีเดชนะ่ยมันคงออกมาได้เพราะฉะนั้นเราจะปิดประตูเมืองเออตั้งแต่กลางวันทีเดียวแหละแต่ตามปกติหกโมงเขาจะเปิดปิดประตูเมืองแต่วันนั้นน่ยบ่ายสามบ่ายสี่ปิดประตูเมืองพอปิดเสร็จแล้ว อย่าเอาลูกกุญแจกลับไปไว้ในเวียงวางอีกต่างหากฮะอพอวางแผนจะฆ่าคนนะ เ, าเพราะรักอชอบเมียของเขาเนะี่ยนี่แหละมนุษย์ขนาดนั้นละพวกเราศรัทธา ญ, ญาติโยมทางหลายอนนี้มาในพระไตรปิฎกนะั้นนี่นะที่พระพุทธเจ้าที่มาท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกาจากนั้นชายหนุ่มคนนั้กวิ่งเข้ามาทั้งเดินทั้งวิ่งพอมาถึงที่ไหนไดเ้เขาปิดประตูเมืองะ ใครเข้าว่าเป็นประตูเมืองเป็นกำแพงสูงเออหนักชายคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยผมมาถึงแล้วเอมันยังไม่ขําผมขอเข้าเถอะผมเป็นราชทูตถ้าคนเฝ้าประตูก็บอกเข้าไม่ได้เพราะพระเจ้าแผ่นดินเอาลูกกุญแจไปแล้วคุณที่ไหนเข้าไม่ได้วันนี้เอคนนั้นเขาก็เลยเอาดอกบัวห้อยไว้ข้างประตูแล้วก็เหวี่ยงดินเหนียวข้ามกำแพงไป ข้าพเจ้าทำถูกทุกหย่าดเออแต่แต่พระเจ้าแผ่นดินเออคงจะหาโทษสําเร็จโทษข้าพเจ้าเพราะนั้นเออเทพเจ้าเราเทวามนุษย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายอจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําไม่ได้ค่ํามาถึงพร้อมที่จะเอาเข้าเข้าไปถวายพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าท่านปิดประตูจะแล้วเพราะว่าท่านั้นเด๋มันก็เลยค่ำเอ๋ พอค่ำเทนี้ก็ไม่รู้จะนอนที่ไหนเนี้เพราะมันหาที่นอนไม่ได้เนีนะบนัดให้ก็คิดถึงพระเทนั้นเถินะโดยมากคนที่ทุกข์ยากทุกออกทุกใจเนะี่ยคิดถึงพระนะกนัตถะญาติโยมลูกหลานนะเออพอไปคิดไปถึงที่อื่นก็มีแต่เออมันไม่สุขก็คิดถึงวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารโอ้ถ้าเข้าไปพักกับพระเนี่ย ท่านคงอย่าพุ่มคลองเพราะท่านเป็นผู้มีศิลนะคิดถึงผู้มีศิลแล้วนะที่นี่นะชายคน น, ะนั้นอ่ะจานก็ไปพักกับพระ ส, สมอยู่ที่วัดป่าเชิดตะวันพอไปพักเสร็จแล้วก็คืนนะักก็นอนเนี่ยนะนอนทั้งหลับทั้งตื่นเนะ่ยเพราะว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ฮะส่วนพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยก็พอนอนไปแหละก็คิดเออวันพรุ่งนี้ออมันไม่มาละ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 ประมาณทักวเที่ยงคืนพระเจ้าปเสนนอนไม่หลับเลยสินอนตาโพงเลยสินอนไม่หลับผพมันเสียงอะไรวะทำไมชัดขึ้นถึงขนาดนี้พอเธอนี้ยก็พอนอนไม่หลับพอตอนเช้ามาเลยสิก็ถามพวกโหรทั้งหลายเออเมื่อคืนเนี่ข้าได้ยินเสียงประมาณเที่ยงคืนมันเสียงอะไรวะมันจะเป็นอันตรายต่อเราหรือราชสมบัติ หรือบริษัทบริวารอย่างไรไหมมันเสียงชัดละเกิดเออเอาโหนเข้ามาพวกคณะโหนทั้งทั้งหลายเข้ามาเออพวกหมอดูนะหมอดูหมอเราพวกโขนนะ่่เออพวนั้นก็ถามว่าเสียงอย่างไรครับพระเจ้าข้าเสียงที่ได้ยินเมนื่อคืนเที่ยงคืนเสียงอย่างไรครับได้ยินอยู่เสียงสี่คำทุาณะโส เออเสียงเสียงโทสะนาโศสี่รับแต่นักก็หายเงียบไปมันรู้เสียงอะไรขอให้อาจารย์ดูที่ว่ามันจะเป็นเสียงอะไรทางพวกออหมอดูเนี่ยกาทำท่าก้มหน้าคุ้นเค็ตเออโอ้เสียงอ็ไรเสียงอันตรายมากเป็นอันตรายต่อราชสมบัติถือชีวิตพระองค์ด้วย เออพ่อหมอดูมันก็เดาไปเรื่อยใช่ไหมไหนไห น, นที่คนจะเชื่อก็พูดไปแหละพระเจ้าแผ่ น, นี้ก็ ย, ยังเสียกําลังใจอยู่แล้วกาไรลังใจมันตกอีู่แล้วนะใครพูดขึ้นมาก็เชื่อหมดเลยเพราะเป็นผลผลหลวงอีกต่างหากเออแต่เด็กกัพระเจ้าแผ่ น, นี้ก็เชื่อเพราะเชื่อจะแก้ไขยังไงครับเอ อ, อาจารย์โอ้ต้องบูชายันไปแล้วบูชายันญมีอะไรบ้างครับ อพระเจ้าประเศษก็ย่อเข้าไปแล้วเอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัววัวร้อยตัวตัวผู้ร้อยตัวตัวเมียร้อยตัวเออหมูร้อยตัวไก่ร้อยตัวหม้าร้อยตัวม้าร้อยตัวคล้ายๆกับว่าถ้าจะเอาแต่สัตว์ที่กินได้กับเหมือนกับโอ้โหหนเน่ยมีแต่เอาสัตว์มาเพื่อกินเออแต่นี่ก็เลยโหนก็เลยบอกว่าเอาทั้งหมาด้วยอทั้งม้าด้วยเอาทั้ง ไอสัตว์ที่กินไม่ได้ด้วยแล้วก็เอาเด็กผู้หญิงร้อยคนผู้ชายร้อยคนอีกฆ่าบูชายันแล้วก็พระองค์จะผลนพิษภัยเพราะว่าพิษภัยขราวนี้ร้ายแรงนะถ้าหากว่าไม่บูไม่บูชายันไม่เอาเลือดอาจากคอสัตว์เหล่านี้หรือมนุษย์เหล่านี้บูชายันแปลว่าราชสมบัติ แต่กระจายเลยข่าวนี้พระเจ้าประเสริฐก็กลัวเออถึงยังไงก็ต้องเอาตัวไว้ก่อนแล้ววะถึงใครจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปเอาคนเอาตัวไว้ก่อนจากนั้นก็จับสิจับช้างจับม้าจับบัวจับควายจับอะไรมามัดเป็นฝูงฝูงฝูงฝูงเอาไว้จะนด้จับคนมาด้ก็ไม่จับไม่ได้ทหารจับใครจะมาลาวีอะไรไม่ได้เพราะทหารเขาจับมาก็มามัดมัดไว้โอ เด็กคนมันก็ร้องอะไรสิีิร้องหมร้องให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องเ อ, อจับคนลูกของเขาเนี่ยมาเพื่อจะตัดคอบูชายันเออเอาเลือดลงไปในหลุมเออโหที่สุดก็เออในเมืองนะไปว่าโกราหนไปทุกแห่งฝนเลยสิเออจะได้นางคนทั้งหลายก็จะเริ่มบูชากันยัน นางมันลิกาคืออัครมเหสีของพระเจ้าปเสนเ อ, อ, ออกมาแต่ได้ยินเอ๊ะมันเสียงอะไรทําไมโกลาหลขนาดนี้พราะท้าวถามที่ไหนได้เขาจะจับคนบูชายัญจับสัตว์บูชายัญในเย็นวันนี้นางมันลิกาก็เลยกราบทูลถามพระเจ้าปเสนว่าทําไมฆ่าคนอื่นแล้วจะเอาความสุขให้กับตนเองมันมีที่ไหนมันไม่มีนะมันมีในโลกเนี่ย ก่อนที่จะให้คนความสุขคนอื่นแล้วก็ความสุขนั้นก็จะเข้ามาสู่ตัวเองอั น, นี้เราจะไปให้ความทุกข์กับคนอื่นแล้วจะเอาความสุขมาให้ตนเองมันมีที่ไหนมันไม่เคยมยีในประวัติศาสตร์ยุคในไหนมาทางปยาประสิทธิ์เขเอ้าคุณอย่าพูดนี่พรามโผลนเขาบอกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องบูชา ย, ยัญเท่านั้นนางมาเลกาบอกว่าจะไปเชื่อทําไมโผลนที่มีกิเลสโลภโกรดหลงน่ย ทำไมไม่ไปฟังคําทําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นสยํามภูรู้แจ้งโลกทุกอย่างทําไมเราจะไม่ฟังโอ้ใช่เราก็ลืมไปไปไปกราบคูณพระพุทธเจ้าทีทททททท่เป็นยังไงเออเอา น, นี้เอาไว้ก่อนเออพระเจ้าประเสริฐก็ยังมัดไว้อยู่นะออยังไม่ยอมปล่อยก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มหาโมเพทมีอะไร โอ้ยข้าพระ อ, องค์นอนเมื่อคืนเนี่ยประมาณชักเที่ยงคืนได้ยินเสียงวัุนะสงศนะ์เกิดขึ้นข้าพระ อ, องค์นอนเไปหลับก็เลยไปถามพวกพราหม์พวกโหรทั้งหลายเขาก็บอกว่าต้องบูชา ย, ยัญพระ อ, องค์บอกว่ามห า, าพ่อผิดอันนมันผิดใช่แล้วที่พระ อ, องค์ได้ยินเมื่อคืนนี้นะรู้ไหมเป็น เสียงของสัตว์นรกสัตว์นรกมันมันพูดกันสัตว์นรกสี่คนสี่ตัวที่มันโผล่ขึ้นมาแต่มันพูดอะไรไม่ได้พูดในคนละคำคนหนึ่งสูคนหนึ่งซา่าคนหนึ่งนคนหนึ่งโศ่สี่คนแต่รวมคำพูดเข้ามาแล้วก็คือข้าไปเจ้ารุ่มหลงในความชั่วข้าไปเจ้าจึงตนกนรก เพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากนรกแล้วข้าพเจ้าจะเป็นคนดีถ้าแปลออกมาใค่อยๆจับมาปฏิบัติต่อแล้วเ อ, อจะเป็นคําพูดลักษณะอย่างนี้ อ, อพระเจ้าปเสนสมัยไหนพระเจ้าขาทําไมสันนรกถึงตกนรกพระองค์บอกว่าในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตฉปะกัตฉปะก็คือกากุสันโธองค์ที่หนึ่งโกกัต กากูชัโธโกณคมโนกัตสโปโคตโมเคตโมคือพระโคตมคือพระพุทธเจ้ากัตสโปเนี่ยคือองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้ากัตสโปกัตสปานี่คนในยุคนั้นอายุหมื่นถึงสองอายุยืนถึงสองหมืปีแต่เอ่อมีลูกเศรษฐีสี่คนอยู่ในกรุงเอ่ยอยู่ในกรุงที่พระพุทธเจ้ากัตสปาอุบัติขึ้น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 เราเอาเงินเนี่ยหวานไปเลยเออแล้วก็เอานั่นน่ะลูกเมียใครไม่ว่านะเอามาปนปือเราดีไหมเศรษฐีลูกเศรษฐีถึงสี่คนโอ้ใช่เห็นด้วยกันจากนั้นก็หวานเงินเลยสิพ่อหวานเงินนะ่ะผู้หญิงผู้หญ้าผู้หญิงทั้งหลายก็เป็นพวนเลยสิทําแต่กรรมชั่วอายุถึงสองหมื่นปะีทาแต่กรรมชั่วในเรื่องนี้แหละเป็นหลักเลย พอจฉะนั้นพอก็ตายจากกบนั้นชาตินั้นเขาลงสู่อเวจีมหานรกทีนี่พอลงอจูอเจอเวจีมหานรกเออหลายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีจากนั้นพ้นจากนรกอเวจีขึ้นมาโลหกุมพีนรกอีกนรกที่ร้อนที่สุดเออเหมือนกับเหมือนกับเราต้มข้าวพอต้มข้าว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 เออคนหนึ่งก็าเริ่ทุษะนะโส เ, เออกาวกับกาวคนละคำกันพ่อกล่าวคนละคำกันลงดิ่งลงไปอีกเหมือนกับเมล็ดข้าวอย่างที่ว่านลงไปสู่ก้นก้นหมออีกนี่แหละพระเจ้าเปรียญได้ยินเที่ทยงคืนเออคือสัตว์นรกในพูดขึ้นมาทุษะนะโสส า, ส, าสามสามอย่างพระองค์บอกาวา่ามันไม่ใช่ผลร้ายผลอะไรหรอกเออคือกรรม กรรมจัดนรกแสดงให้เห็นเท่านั้นเองอแต่พระพุทธองค์ก็รู้ว่าพระเจ้าประเสริฐนนหลงไหลเออยากจะได้เมียของชายคนนั้น่ะจะฆ่าผัวเขาเพื่อจะเอาเมียเขาเนี่ยนี่แหละจัดนรกเลยแสดงให้พระเจ้าประเสริฐได้รู้ได้เห็นจากนั้นพญาประเสริฐก็เลยโอ้โหถ้าหากว่าข้าทํา อีกข้าก็คงจะเป็นอิลลอกหรือไปตามรอยไอ้สคนนั่นแน่ๆเอาตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะไม่คิดในเรื่องการเมสุมิชฉาาย์ข้าพระเจ้าจะเป็นผู้ซื่อตรงต่อสามีภรรยาะจะไม่ให้ผิดสินไอข้อที่สามโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือเมื่อพระเจ้าเปรตได้ยินเสร็จแล้วชายชายที่นอนอยู่ที่วัดป่าเชตตะวัน ที่เป็นสามีของเออีนางหญิงสาวคนนั้นเนี่ยกับโคดขึ้นมาในในเดี๋ยวนั้นเลยว่าโอ้เออพระเจ้าประยเทียบว่าเมื่ <im rit> อคืนนี้ข้าพระองค์นอนไปหลับรู้สึกว่าราตรียาวนานคนคนนั้นก็บอกว่าโอ้ผมเดินทางเมื่อวานนี่รู้สึกว่ายอดหนึ่งเป็นขนทางเชยจืดยาวมากก่อนที่จะไปถึงได้โอ้โหเดินทาง นี่ะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตราสขึ้นมาเป็นคำเป็นคำมเเป็นคาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่นอนไม่หลับรู้จกรู้สึกว่าราตีหนึ่งยาวนานคนที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วรู้สึกว่าโยชหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่พาละชนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร ยิ่งยาวนานกว่านั้นอันนี้ฟังเข้าไว้นะภารชนคือคนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารยิ่งยาวนานกว่านั้นนี่ยแหละพอพระเจ้าปเสนได้รับฟังธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นกลับไปก็เลยไปปล่อยอปล่อยช้างปล่อยหมาปล่อยววปล่อยควา ย, ป ล, ยปล่อยคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็โอ้โหโอโป โ, อโมดนาสาทูกะ ถ้าหากว่าไม่มีพระเมธเจ้านางมาเลกามาเป็นผู้นํา พ, พระเจ้าแผ่นดินเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพวกเราเนี่โอ้อะไรเราจะเกิดขึ้นต่างคนก็ต่างยินดีอนุโมทนาเรื่องราวก็เลยจบเกมกันไปพระเจ้าปัจเสนก็เลยเป็นคนระมัดระวังต่อไปนี่แหละอย่างที่ลูพ่อได้พูดได้พูดเบื้องต้นว่าไอเซวานา จะบาลานังคือคนสามคนที่เป็นลูกเศรษฐีได้ครบกันครบคนชั่วครอบคนผ่านแล้วก็ชวนกันไปในทางที่ผิดทั้งกินเหล้าชูลานาลีเพราะตัวเองมีเงินเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทำความชั่วทีเสียมมากมายมหาศาลตกนโลกเสียอายุถึงหลายหมื่นปี เดี๋ยวนี้ก็คงจะได้ขึ้นหรื อ, อยังไม่ได้ขึ้นก็ออยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะจากนั้นมากกว200 2,500 กว่าปีจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมในเรื่องนี้คิดว่าคงจะยังอยู่มั้นะเอ่ถ้าวันนั่งใครตั้งภาวนานเลยมองๆดูก็ได้แต่จะไปมองมองความชั่วของคนอื่นนะให้มองใจของตัวเองแต่ละวันข้าพเจ้าคิดดีหรือข้าพเจ้าคิดชั่ว ข้าพเจ้าทําดีหรือข้าพเจ้าทําชั่วข้าพเจ้าพูดดีหรือข้าพเจ้าพูดชั่วตรงนี้จะเกิดประโยชน์กว่านะไปดูคนอื่นเขาดูความชั่วของคนอื่นเขานะก็เท่านั้นแหะไม่เห็นมีประโยชน์นะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราพนักัตหาญาติโยมลูกหลานนะเนี่ยว่าครบคนผ่านอเซวนาจะพาลาหนังบัณฑิตานันจะเซวนาเนี่ให้ครบบัณฑิตนักปราช อยากนำ ม, มันเลิการแนะนาพระพุทธพระเจ้าพระเศสทีิโกรสนเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยคือครบบัณดิตท่านผู้มีปีชาสามารถเป็นผู้เปือ้อนทุก์ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าว่าคร บ, บ, บับัณดิตบัณดิตจะแนะนำสั่งสอนนั้นอย่าอย่าทำนะนั้นอย่าคิดนะนั้นอย่าทำนะนั้นอย่าพูดนะท้าท่านคิดเจ่าท่านคิดท่านพูดท่านทำ กรรมชั่วจะตามสนองท่านเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสในโอวาทปฏิโมกว่าอากตังดุ ก, กตังเสยโยปัจ ช, ชาตปติดุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นํำนี้ให้ฟังเอาไว้จะเป็นกรรม ชั่วสิ่งไหนก็ตามคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วในเรื่องใะไรก็ตามอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะทำลงไปแล้วเมื่อกาชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะญาติญาติโยมลูกหลานทุกคนอันนี้อธิบายและพูดกล่าวเรื่องของสินแนวความเป็นอยู่เรื่องกายสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินคือสินข้อที่สาม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 รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกในเมื่อพระ อ, องค์ทำจิตใจให้สงบพระไพยใจของโกรรมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งและเกิดญาณทัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในในขณะนั้นพระ อ, องค์ระลึกชาติผลหลังได้ปุปเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ เพราะฉนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ข้าราทกาญาติโยมลูกหลานฟังเอาไว้ให้สังเกตดูสิว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าล่ะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วสูญพระพุองคง์จะไปว่าระลึกชาติผลหลังได้อันนี้พระพุองค์ระลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าตายแล้วเกิดพวกเราแล้วตายแล้วเกิดทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่า พระองค์ได้ตัดรู้ในปฐ ม, มยามคือยามตอนหัวค่ําเนี่ยว่าปุพเพนิว่าสานุจจติญาณระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปปตาตาหยาดการจุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ท้งหลายบวกเราท่านทั้งหลายจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนนี่แหละอันนี้เราบอกปุพเพนิว่าสานุจจติญาณระลึกชาติผลหลังได้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 เอ่ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนบกเพลนเพราะนั้นขอให้พวกเราะขนาันธายาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ฟังเอาไว้ในเรื่องคือหลักธรรมคาสอนตอนนี้เรามาพูดถึงแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทีนี่สายหลวงปู่มั่น มีหลวงปู่เทศหลวงปู่เหลียนหลวงปู่ต่างๆที่นํำทำคําสอนของหลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรเนี่ยในหลายท่านก็แนะได้เอาทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติท่านมาให้นั่งภาวนาเอานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าใจกับกายกายกับใจไม่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน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 เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะเปรียบเทียบก็ว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์นิสัยดีมีมารยาทเ อ, อก็จะขับรถไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าโซเฟอร์กินเหล้าเมายาโกโคโลคอ โ, โ, โ, โซโเ อ, อ่ขาดสติเ อ, อพอขึ้นขับรถแล้วกันนั้น บีบแตรแล้วก็เหยียบดะชนดะพอทีอ่สุดคนน่ะบางทีเพอเออาจจะหักพวงมาลัยเหยียบคันเร่งรงข้างถนนชนที่ไหนก็ไม่หูเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์นิสัยไม่ดีนิสัยไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นเรื่องโซเฟอร์กับรถรถกับโซเฟอร์ในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนท่านจึงให้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 ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายพระพุทธเจ้าไม่ใช่รถเป็นพระพุทธเจ้านะใจของพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพระรหก็เหมือนกันอ่าไม่ใช่จักรกายของท่านได้เป็นพระรหใจของท่านรู้แจ้งเห็นจริงได้สําเร็จเป็นพระรหัพอใจได้สําเร็จเป็นพระรหแล้วกายก็เป็นพระรหัน์ลูกน้องบริวารก็คือบริวารของพระรหันเสนาชนะวัดวาศาสนาก็เป็นของพระรหั์ เพราะนั้นเรื่องใจในหลักของพุทธศาสนาถือว่าใจเป็นจริงเป็นเรื่องที่สำคัญโซเฟอร์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนั้นขอให้พวกเราสนใจศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ทุกษาศึกษาในภาคปฏิบัติเรื่องกิจตภาวนาน ะ, ะแล้วก็เนี่เรื่องภาวนาเนี่ยสำคัญนะพุทโธน ะ, ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปูมันภาวนาพุทโธนะลูกหลานนะ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 จะเห็นได้ชัดในความรู้สึกของตนเองเพราะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะปัจจันตังรู้ได้เฉพาะตัวเออใครคนอื่นทําแทนไม่ได้เรื่องจิตผละเราทําเองเรารู้เอง เ, ออเราเห็นเอง เ, ออเรามั่นใจเองในการเราพฤ่งปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทนายกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษีเบื้องต้นว่าอาเซวานาจะบาลานังบัณริตานั่นจะเซวานาอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นนิทานมาในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าปาราถึงพระเจ้าปเสณที่โกศลและชายหนุ่มลูกเศรษฐีส่คนที่ใช้เงินใช้ทรัพย์สมบัติตัวเองไปในทางที่ไม่ถูก